การปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องให้รู้จักว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตจิตใจอย่างไรนี่มันต้องรู้กันทุกคนมันจริงได้ไม่รู้ความหมายก่อนแล้วมันก็ไม่พอใจ ที่จะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังคำว่าการปฏิบัติธรรมถ้าจะเปรียบอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างเขาปลูกพืชลงในดินอย่างนั้นเนี่ยปลูกลงไปแล้วจะปล่อยทิ้งไปเลยอย่างนี้จะให้มันขึ้นเองมันนี่มันไม่ได้เลย ปลูกลงไปแล้วมันต้องเอาใจใส่ดูแลได้ยญ้ารดน้ำใส่ปุ๋ยพยายามรอมรู้การสัตว์ต่างๆมาหยียบย่ำทำลายมันจึงได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ <c oughs> อันร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ มันก็เหมือนกับแผ่นดินนั่นแหละสำหรับเป็นที่ปลูกพืชต่างๆสันใดร่างกายสังขารของคนเรานี่ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลก็ชันนั่นแหละแต่บัดนี้ลำพังแต่มีกายวาใจาใจมาแล้วและจะให้บุญกุศลความดีมันเกิดขึ้นเองมัน อย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่ากายวาจาใจอันนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหากรรมเป็นเครื่องตกแต่งขึ้นมาการที่บุคคลจะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในใจได้มันก็ต้องมาชำระสิ่งที่ไม่ใช่บุญกุศลออกไป จากดวงจิตนี้ก่อนทําให้จิตใจนี่สะอาดแล้วอย่างนี้นะอะทําความดีอะไรมันก็เจริญขึ้นได้แบบนี้เมื่อจิตใจนี่มันสะอาดปราศจากบาปประธรรมต่างๆแล้วหรืว่ากายวาจานี่มันปราศจากบาปอากุศลแล้ว ทำอะไรพูดอะไรไปเหมือนก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นไป <c oughs> มันก็ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอย่างบุคคลปลูกพืชลงในดินแล้วดูแลเอาใจใส่ไปนั้นเองแหละมันก็พริดอกออกผลให้เจ้าของผู้ปลูกนั้นเต็มที่ อันนี้ฉั้นใดก็เหมือนกันผู้ใดรู้จักปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะต้องได้รับผลแน่นอนทำให้กิเลสบาปธรรมเบาวางออกไปจากดวงกิจอันนี้แน่นอนทีเดียวเพราะว่า พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตัดรู้แจ้งแทงตลอดเลยรู้แจ้งทั้งกิเลสตัณหาสารพัดความชั่วต่างและวันนี้ก็รู้แจ้งธรรมที่จะเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างเหล่านั้นด้วยนี่พระองค์รู้ทั้งสองหน้าไม่ใช่รู้หน้าเดียว เหมือนกับหมอรักษาพยาบาลคนป่วยนี่นหะเขาย่อมเรียนรู้ลักษณะอาการของโรคมาแล้วแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติทดสอบมาการรักษาคนป่วยเมื่อได้ทดสอบมาแล้วเกิดความ ช, นชนานิชานาญแล้วไปรักษาคนป่วยอย่างนี้มันก็สามารถรู้ ลักษณะอาการของโรคอันนั้นได้เมื่อรู้ลักษณะอาการของโรคก็กำหนดรู้ยาใช่หสำหรับที่จะขจัดโรคอันนั้นได้ก็จึงได้ให้ยาแก่คนไข้ไปเส้นนี้มันก็จึงได้ผลบะนี้คนไข้ก็จึงหายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ฉันใดพระพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรง ค้นคว้าหรือว่าเรียนรู้อออัตภาพร่างกายหรือธาตุสี่ขันธ์ห้านี่โดยเจีมแจ้งพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยอันตกแต่งขันธ์ห้านี่ขึ้นมาอขันธ์ห้านี่ถ้ า, าว่าโดยเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นจากกรรมดีกรรมชั่วนี่เองเนี่ย กรรมดีกรรมชั่วนี่มันก็แทรกอยู่ด้วยอวิชชาตันหาอืมันมันมันรวมกันกิเลสต่างๆเหล่านี้นะนเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมดีกรรมชั่วมันตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วคนเราน่ยมันถึงไม่เกิดไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรก่อนในเมื่อเจริญไวใหญ่โตขึ้นมาทีแรกก็เพราะอะไรเพราะอวิชชาตันหา มันครอบงำจิตใจต่อเมื่อได้มาศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้เข้าไปอย่างว่าเรียนวิชาความรู้ในทางโลกเส้นนี้มันก็เมื่อเรียนได้จำได้สอบได้แล้วมันก็ขจัดความไม่รู้เรื่องการทรมาหาเรื่องชีพเหล่านั้นนะออกไปหมด ความรู้ความเข้าใจในวิถีทางท ร, รมาหาเรี่ยงชีพหาเงินหาทอ ง, งต่างๆวันนี้มันก็มองเห็นช่องทางได้ <c oughs> แถมถ้าว่าผู้ที่ได้มาเรียนรู้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ยิ่งรู้แจ้งในชีวิตนี่ ได้ชัดเจนไปกว่านั้นอีกบ้านี้ความรู้ในขั้นนั้นเพียงแต่แค่เป็นความรู้สำหรับหาปัจจัยสี่มาบมรุงอัตภาพร่างกายนี้เท่านั้นเองความรู้ในทางทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นความรู้สำหรับกำจัดกิเลสบาปธรรมความชั่วร้าย ต่างๆออกจากกายวาจาใจามันดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี่มันจะเป็นต้องได้มีความรู้ทั้งสองอย่างนี่ <c oughs> ผู้ที่จะมาเป็นนักบวชมันก็ต้องผ่านจากความเป็นคารือหัดมาต้องได้ศึกษาความรู้ในทางโลกม า, อ, าอย่างนี้ แล้วก็จึงได้มาศึกษาในทางธรรมเข้าไปอีกพ่เราได้ความรู้ทั้งสองอย่างผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วมันก็จะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและเรียนความรู้ทั้งสองประการนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้บวชก็ต้องสนใจความรู้ทั้งสอง ประเภทนี้เองสำหรับนักบวชแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจกับความรู้ในทางโลกพอได้สละมาแล้วก็มาสนใจแต่ความรู้ในทางทาทางวินัยนี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะผู้เป็นนักบวชนี่มันต้องมุ่งที่จะ ปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสตัณหาอาวิชชาอันนี้ให้ออกไปจากดวงกิจนี้โดยตรงไม่ได้มีธุระอย่างอื่นไม่ได้มีธุระเกี่ยวกับการหาเงินหาทองหาลาภายุดอะไรอย่างผู้ครองเรือนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้อง ปักใจต่อทมต่อวินัยคำสอนของพระเถรเจ้านี่โดยส่วนเดียวเลยทีเดียวสำหรับผู้ครองเรือนแล้วต้องให้มีความรู้ทั้งสองประเภทจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยสวัสดีความรู้ในทางธรรมนี่ป้องกันไม่ให้ทาบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ความรู้ในทางโลกเป็นการส่งเสริมชีวิตนี้ให้เป็นอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่อาหารผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บต่างๆมูนี่มันต้องมีประจำบ้านเรือนถ้าไม่ถ้าขาดปัจจัยสี่นี่แล้วเป็นอ น, นว่าดำรงชีวิตอยู่ไปไม่ได้ แต่คนผู้ไม่ฉลาดแล้วมันแสวงหาปัจจัยสีน่นี่มันแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็แสวงหาไปในทางทุจริตไปทำบาปแบบนี้นะล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท้ามไว้อันนี้แหละมันสำคัญนะ พอเห็นว่าตนไม่มีปัญญาที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยทางที่ชอบได้ในการแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางผิดศีลผิดธรรมนี่มันง่ายอมันอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าเอาไปเที่ยวหาจับสัตว์ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงชีวิตนี่อย่างนี้ ไม่ต้องอาศัยพิธีหรือตองอะไรมันก็ทำได้ทีก็ไปเที่ยวลักชอ่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพโมนี่นะมันมันคิดไปได้ง่ายเรื่องมันนะ <c oughs> ดังนั้นจึงว่าปัญหาเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะควรพากันเอาใจใส่ให้ดีดำรีตรีตองให้มันถีถน่ทุนหาทางหลีกเลี่ยงจากโทษมนทินต่างๆในการทามาหาเลี่ยงชีพให้ได้มันจึงจะพ้นจากทุกข์ในอาไภูมิทั้งสี่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับปัญญา ความรู้ความฉลาดของแต่ละบุคคลนั่นเองเนี่ยผู้มีปัญญานั่นเพื่อนสามารถหลีกเลี่ยงจากบาปโทษต่างๆได้มีอยู่ในโลกนี้นะผู้มีปัญญานี่จะเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วนั่นเนี่ยจะเป็นผู้ไม่โลภมากโลภาในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง นี่ถือสันทุตถีตามมีตามได้จนมีน้อยก็ใช้าจาตามน้อยมีมากก็ใชา้ายตามมากในสมบัติเข้าของที่หามาได้โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมายบ้างด้วยศีลธรรมบ้างหมู่เนี้ยโดยมากการแสวงหาทรัพสมบัติโดยทางที่ชอบนี่ มักจะได้น้อยเรื่องมันนะคนเรามันถึงได้ทำบาปนี่มันไม่ได้มากทั้งนี้เพราะอะไรเล่านั่นทุกคนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่หรอกก็เพราะว่าตนทาบุญกุศลทาความดีมาแต่ชาติก่อนน้อ ย, น, อยนี้แล้วบุญกุศลหนหลังนั่นไม่ได้มาสนับสนุนให้มากมาย เพราะฉะนั้นมันจึงได้ผลแต่น้อยการทำอะไรลงไปแล้วนะทำนาก็ได้ข้าวแต่น้อยทำสวนก็ได้ผลมากลากไม่แต่น้อยอทำการค้าขายก็ได้กําไรน้อยน้อยไม่มากอย่างนี้แหละ เ, เป็นข้าราชการอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เลื่อนขั้นขึ้นสูง เ, เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย มียศถาบรรดาศักดร์ตพยายามอย่างไรมันก็ก้าวขึ้นสูงไปไม่ได้เพราะว่าตนมีบุญน้อยแต่บางคนไม่คิดถึงบุญถึงกรรมอย่างว่านี่แล้วมันก็ไปทำทุจริตวันนี้นะแต่ทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรหมด น, นั่นนะก็เลยเป็นบาปเป็นกรรมไป นี่แหลคนเรายังว่าไอ่ทำบาปทำกรรมเวรอยู่ในโลกอเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่แหละเป็นศูนย์มากเลยทีเดียว่ขอให้คิดดูให้ดีผู้ใดมีปัญญาสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยทางชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอย่างว่านี่นะ่ะผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงสมควรทีเดีย ว, ว่ถ้าจะว่าพูดถึงคุณธรรม ขั้นสูงแล้วก็ได้แก่คุณธรรมของพระโสะดาบันนะออันพระโสะดาบันนี่แต่ขั้งพุทธเจ้านั้นท่านครองเลือนกันอยู่มีอยู่มากมายมีพัวมีเมียมีลูกมีหลานอยู่อแล้วก็เป็นคนทุกอาชีพเลยชาวนาชาวสวนพ่อค้ากะหะบอดีก็มีเป็นข้าราชการก็มีเป็นเศรษฐีก็มี เป็นเจ้าเป็นนายก็มีมีทุกอาชีพแต่ท่านผู้บรรลุโสดาบันแล้วท่านไม่ทำชั่วเลยแต่ก็ยังหาเลี้ยงชีพไปได้ไม่ถึงกับอดตายแต่ท่านหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดธรรมนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบัน ผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็จะไม่ร่วงศิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เลยเพราะการทำมาหาเลี่ยงชีพนั่นหรือว่าเพราะอย่างอื่นก็ตามเนี่ยจะไม่ร่วงศิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เลยนี่เพราะฉะนั้นจึงว่า จะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าผู้ใดสามารถเว้นจากการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตนี้ได้แล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมมันสูงแม้ว่าจะเป็นคนยากจนคนแค้นด้วยเงินทองเข้าของก็ตามแต่นักปราชฏิทินก็ยังสรรเสริญว่าผู้นั้น ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมมันสูงดังพระพุทธภาษิต ท, ที่ทรงตรัสไว้ว่าเห่งราปรมารรมมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งนี่แสดงว่าตามพระพุทธภาษิตนี่นะผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ือตลอดไป ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมมันสูงอยู่ในใจมันก็สูงแน่นอนแหละเพราะว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็จะไม่ไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นจะไม่สูงอย่างไรแล้วนั่นแหะคนที่มีคุณธรรมต่ามีบาปมากนั่นแหะตายแล้วก็ไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นอ่าเป็นอย่างนั้น คนเ่นนั้นชื่อว่าขาดปัญญาไม่มีปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์ภายในสงสารทั้งในชาตินี้และชาติหน้าได้ดังนั้นน่ะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็สมควรที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเถรเจ้านี่ให้เข้าใจ แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติไปทําใจของตนให้สงบระงับลงเมื่อพยายามทําใจให้สงบระงับลงไปได้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นนั่นเองเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็หลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษต่างๆได้สามารถรักษาตน ให้อยู่ในโลกอันนี้ไปได้โดยปราศจากความชั่วเวรภัยต่างๆได้เน ว, ว่าเป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกุศลธรรมคุณงามความดีสามารถรักษาบุญกุศลคุณงามความดีไว้ได้ตลอดชีวิตไปความพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้น ก็มีอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าผู้นั้นน่ะจะมีบุญวาสนาบา ร, รมียังไม่แก่กล้าไม่สามารถจะบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้พยายามละหลีกเว้นจากกรรมอันชั่วร้ายต่างๆพยายามทำแต่กรรมอันดีให้เกิดมีขึ้นในตน ไปจนตลอดชีวิตได้นับว่าเป็นผู้มีลาบอันดีทีเดียวว ะ, ะเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐอยู่ในตนทีเดียวเลย <c oughs> เพราะว่าผู้นั้ น, นจกเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอันดีงามติดตัวไปเลยถ้าหาว่าจะไปเกิดเป็นคนอีกในชาติต่อไป ผู้นั้นก็จะไม่ทำบาปในชาติต่อไปจะทำแต่กุศลคุณงามความดีเรื่อยไปบุญกุศลที่ผู้นั้นได้ทำในชาติปัจจุบันนี้มันก็จะไปตกแต่งอำนวยความสะดวกสบายให้มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เต็มที่ ก็เหมือนอย่างคนผู้มีบุญทั้งหลายในครั้งพระพุทธเจ้าในตำรับตำลาท่านก็ยังแสดงไว้นะพระพุทธเจ้าก็หยิบยกเอาคนผู้มีบุญนั้นมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังอย่างเช่นนางวิสาขามาหาอุบาสิกาเป็นต้นและอุบาสิกาบาสกอื่น ก็เป็นผู้มีบุญที่ตนได้สังสมมาแต่ก่อนมากมายเมื่อมาเกิดในครั้งนั้นบุญกุศลก็โดนบันดาลให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของอมไม่อดไม่อยากในถึงกับเป็นขั้นเศรษฐีกห็หะบอดีเมื่อเป็นเช่นนี้คนเหล่านั้นก็ได้โอกาสทำบุญกุศลได้เต็มที่ ทำบุญทำทานฉนุบำลุงวัดวาศาสนาได้เต็มที่แล้วทั้งปฏิบัติธรรมอีกด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพเพราะว่าบุญกุศลผลหลังอำนวยผลให้เงินทองหลังไหลมาเทมาไม่ควรได้ก็ได้ไม่ควรมีก็มีเข้าไปไม่ได้ยากไม่ลำบากในการแสวงหาอย่างนี้ <c oughs> เนี่ยสิ่งใดสมบัติอันใดถ้าหากว่าบุญกุศลตกแต่งให้แล้วดูมันได้ง่ายมันไม่ลำบากเลยไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายคนผู้มีบุญน้อยเนี่ยแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรก็ต้องได้ใช้กำลังกายกำลังใจออกแรงทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ ป่านนั้นก็ได้รางวัลเพียงนิดนิดหน่อยๆน่อยพอประทังชีวิตไปเท่านั้นเองนะจะให้ร่ำรวยมั่งมีนั่นเป็นไปไม่ได้เลยนี่เพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยแต่ชาติก่อนมัวเ ม, ม, มาผอมาัดทำบุญกุศลแต่น้อยนี่ดะนั้นพอเกิดมาในชาตินี้ แล้วจะให้มันไปร่ำรวยมั่งมีเหมือนอย่างคนที่เขาทําบุญกุศลมากๆนั้นไปได้ที่ไหนอะแต่คนมันไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่ค่อยคํานึงถึงบุญกรรมบาปกรรมเหตุนั้นแหะมันถึงไม่ได้ทําความดีอะในชาตินี้ก็ดีผู้ใดตื่นตัวแล้วเออรู้จักบุญรู้จักกรรมของตนได้อย่างว่านั่นแล้วก็ผู้นั้นจ ะ, จะรีบเร่งสั่งสมบุญกุศลทําความดีเรื่อยไป เพิกจิตใจของตนให้มีความพอใจในบุญในกุศลในคุณอันประ เ, รเสริฐเช่นคุณพระรัตน์ไกลแก้วสามประการอันนี้จะต้องมีอยู่ในใจตลอดเวลามีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในบุญในคุณอนี้ไม่ไม่ให้ใจไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอากุศลต่างๆอันนี้แหละได้ชื่อว่า อาใสยบุญกุศลนหลังมาสมทบกับความดีที่ทำในปัจจุบันทำให้บุญกุศลเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ท้อไม่ถอยนี่เหมือนอย่างพ่อค้าเนี่ยถ้าเขามีทุนเป็นก้อนแล้วเขาลงทุนค้าขายไปมันก็ได้กำไรมาสมทบกันเข้าไปเรื่อยๆก็เลยกิจการงานก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญน้อยมาแต่ก่อนแล้วก็พยายามทําความดีให้มากๆเข้าไปในชาตินี้นะต่อไปมันก็มากขึ้นเองแล้วบัดนี้นะถ้าไม่ขอนขวายไม่รีบเร่งทําให้มากๆในชาตินี้ที่ไหนล่ะมันจะไปเจริญได้ในชาติต่อไปฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพากันเพ่งพินิษพิจารณาคําสอนที่บรรยายฟังมา รู้แนวะทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามก็จะได้ความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้